ตอนนี้ก็ถือว่านะเป็นปีใหม่และนะ้วถึงแม้ว่าแสงแรกนะยังไม่ปรากฏนะตอนนี้ตัวเราก็อยู่ปีใหม่แล้วยาให้ใหม่นะแต่ปีอย่าให้ใหม่นะแต่ตัวนะให้ใจเราใหม่ด้วย อย่างที่บอกไว้แล้วว่าใจเราจะใหม่ได้ก็เพราะว่าเราปลดเปื้องใจให้เป็นอิสระนะจากความทุกข์หรือว่า <c oughs> เรื่องฝังใจต่างๆในอดีตอะไรที่มัน สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเจ็บปวดโกรธแค้ น, นก็ให้มันเป็นอดีตไปซะโกรธไทยนะก็อย่าให้โกรธข้ามปีนะให้ให้อภยัยเขาะหรือว่าถ้าสามารถจะคืนดีต่อกันได้นะก็ยิ่งดี มันควรจะมีสิ่งใหม่ๆ ใ, ในชีวิตของเราเพิ่มขึ้นจากเดิมสิ่งเก่าที่ดีอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้แล้วก็ทำให้เพิ่มผูนมากขึ้นด้วยการใช้โอกาสในปีใหม่นี่แหละสร้างขึ้นมาความเศร้าความเสียใจ ที่ดีบขั้นจิตใจของเรานะก็อย่าให้เศร้าข้ามปนะีถึงเวลาแล้วนะที่ต้องปล่อยต้องวางนะก็เหมือนกับว่าปล่อยให้เขาลอยไปตามกระแสน้ำนะหรือว่าไหลไปตามกระแสเวลานะที่ไม่มี โอกาสจะหวนกลับได้นี่ขณะเดีกันนะก็พยายามทำสิ่งดีๆใหนะ้ให้กับจิตใจของเราใจของเรานีสาานะนนะ่สามารถจะใหม่ได้ทุกวันนะสามารถจะใหม่ได้ทุกขณะจริงๆถ้าว่าตาม ตามหลักธรรมชาติก็ใหม่อยู่เสมอแต่ว่าจิตที่ดับแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยมันจะไม่ต่างจากจิตที่เพิ่งดับไปนะถ้าหากว่ายังปล่อยให้เหตุการ์เก่าๆที่ปวดร้าวนะมาครองจิตครองใจหรือว่ายังไปยึดมันอยู่ จิตเราเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาก็จริงนะแต่ว่าไอ้สิ่งจิตที่ใหม่ไอ้จริงที่เกิดใหม่นี่มันควรจะมีคุณภาพใหม่ที่กลายจากจิตที่เพิ่งดับไปถ้าจิที่เพิ่งดับไปมันเป็นจิตที่มีความโกรธความเศร้าวความเสียใจความคับแคนหรือความสึกผิดนะก็ไอ้จิตที่เกิดขึ้นใหม่นะก็ควรจะ ใหม่จริงๆนะไม่มีขาอไม่มีร่องรอยของอารมณ์ความสุขอย่างนั้นตนะิดทางอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายนะแต่ว่าทำได้นะถ้าเราฝึกการที่เราทำความดีสร้างกุศล น, นะอันนี้มันก็เป็น ส่วนหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยทาให้จิตของเราใหม่ตามประเพณีไทยนะพอถึงปีใหม่สมัยก่อนปีใหม่คือนะช่วงเมษานั่นแหละหรือสงกรานต์ก็ทำความดีสร้างกุศลกันเช่นใส่บาตรนะเลี้ยงพระส่งน้ำพระเวลาส่งน้ำพระนี่ก็ไม่ใช่เพื่อให้พระ พุทธลูกสะอาดนะแต่ยังเป็นการมุ่งชำระใจให้สะอาดด้วยเพียงแค่ได้ไปเห็นพระนะแล้วลึกถึงพระคุณของพระองค์มันก็ช่วยทำให้จิตใจสงบเย็นเป็นกุศลได้คราวนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำประเพณีอย่างนั้นนะใน วันขึ้นปีใหม่แต่ว่าเราก็ทำให้ใจเราสดใจเราใหม่ได้ด้วยการทำความดีที่ทำได้เลยแล้วก็ตามเนี่ยทำความดีอย่างเดียวก็คงไม่พอนะเพราะว่าถ้าเราทำความดีแต่ระวังใจไม่ถูกนะก็มีความทุกข์จิตใจก็เศร้าหมองหรือหม่นหมองได้ทำความดีแต่ว่า เ็นรอบตัวเป็นลบหรือว่าเห็นแต่ความทุกข์ที่รออยู่เบื้องหน้าหรือว่าอยู่รอบตัวมันก็ทำให้จิตใจนะหม่นหมองสิ่งที่จะช่วยให้ใจระใายเสมอก็คือว่าการพยายามที่จะเห็นหรือฉลาดในการมองเห็นความสุขทุกขณะในสุขนี่มันอยู่กับเราทุกขณะอยู่แล้วสุขนี่อยู่รอบตัวเราอยู่แล้ว นะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะถ้ามองไม่เป็นเราก็เห็นแต่ทุกข์นะทั้งทั้งที่ชีวิตมีความสุขสบายนะกินอิ่มนอนอุ่นมีคนรักอยู่รอบตัวร่างกายก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็เห็นแต่ทุกขนะ์เห็นแต่ สิ่งที่ตัวเองไม่มีเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองเสียไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเป็นนี่ก็สามารถจะเห็นสุขทุกขณะได้นอกจากเห็นสุขทุกขณะแล้วเนี่ยก็ต้องนะละทุกได้ไวสุขนี่เราเห็นเราฉลาดในการมองเห็นไวต่อความสุขนะ แต่คเดียวกันก็ต้องไวในการละความทุกข์ด้วยในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในอดีตล้วก็ละมันไปแล้วแต่ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในปีนี้เนี่ยมันก็จะมีมาเรื่อยเรื่อยทุกเก่าวางได้แล้วนแต่ทุกใหม่ ยังแบกอยู่นะอันนี้ก็ยังไม่ถูกเป็นกันนะมันก็ทําให้จิตใจหดหูได้จิตใจอขับแคลนได้ทุกเนี่ยมันเกิดเพราะแบกนะทุกมันเกิดเพราะแบกนะหรือว่าความยึดความอยากนะถ้ามันมีความยึดถ้ามีความอยากเมื่ อ, อไหร่มันก็ยึดแล้วพยึดแล้วนะ มันก็แบกต่อไปเรื่อยๆ อ, อะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าทางไม่ว่าเห็นรูปได้ยินเสียงหรือว่าสัมผัสด้วยกายรวมถึงการเกิดเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์รอบตัวเหตุการณ์บ้านเมืองภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อากาศแปรเปลี่ยนให้พวกนี้นี่มันไม่สามารถทําให้ใจทุกได้นะถ้ า, าว่าใจไม่ไปยึดเอาไว้เนะหรือว่าไปจดจ้องนะทุกเพราะแบกนะหลวงพรอชาติว่าเนี่ยทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพปล่อยทุกน้อยเพะหยุดทุ ก, ท, กทุกหลุดเพราะปล่อยเนาะ กินอยู่ช่วยคนเราก็มีปัญหามาอยู่เรื่อยๆแต่ปัญหานี่มันจะไม่ทำให้เป็นทุกข์นะถ้าไม่แบกๆมั น, นปัญหามีไว้แก้นะไม่ใช่มีไว้แบกจนกลุ้มมีก็แก้ไปรถยนต์นเสียก็ซ่อมมันไปเวลาเราซ่อมเราก็ไม่ต้องแบกรถนะ แต่บางคนถึงแม้ไม่ซ่อมแต่ก็แบกเอาไว้แบกไว้ในใจลดเสียนะหรือว่ารถมีรอยขีดข่วนะก็แบกไว้ในใจมีหนี้ศินหนี้สินนี่ก็หน้าที่ของเราก็คือชําระนะไม่ใช่เอาไว้แบกนะบางคนชําระก็ไม่ชําระนะแต่ว่าแบกเอาไว้ส่วนคนที่ฉลาดนี่เขาชําระนะแต่เขาไม่แบกมันนะ ถึงเวลากินข้าวก็กินอย่างมีความสุขถึงเวลานอนก็นอนหลับไม่ต้องเอามือไก่หน้าผากถึงเวลาอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกเต็มร้อยนะไม่ต้องคิดเรื่องนี่สิทธ์อะไรนะเสียงก็เหมือนกันนะเสียงเนี่ยนะมันจะดังแค่ไหนถ้าใจเราไม่ไปยึดนะไม่ไม่เอาหูไปรองเกีย้ยนะไม่ไปต่อรอต่อเทียงกับเสียงนั้นเนะเสียงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ ใครจะพูดใครจะดา่าใครจะว่าก็ใจก็ไม่ทุกข์มาเพราะไม่เป็นนึกนะอันนี้เร้ ว, ว่านะให้ฉลาดนะในการเกี่ยวข้องกับความทุกข์คือละทุกได้ไวเห็นสุขทุกขณะนะละทุกได้ไวจะทำกันได้เนี่ยนะก็ใจมัต้องมีสติตืต่นรู้นะ ใจตื่นรู้อยู่เสมอถ้าใจเราไม่ตื่นนะใจเราหลับใจเราหลงหรือใจเราไม่รู้ตัวนะเวลาเจอทุกเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบกทุกข์เฉยๆนต่นมันยังไม่ยอมปล่อยด้วยคนเราโกรธข้ามปีนะเกลียดข้ามปีหรือว่า ปล่อยให้ความโกรธนี่มันทิ่มแทงใจเพราะว่าไม่รู้ตัวความโกรธมันเผาใจแต่ทำไมยังปล่อยให้มันเผาอยู่ทั้งที่ทุกข์ก็ทุกข์นะก็เพราะไม่รู้ตัวนะความเศร้ามันบีบคั้นใจความเกลียดมันทิ่มแทงใจทาไมถึงปล่อยให้มันทิ่มแทงใจเหมือนกับว่านะมีความสุขนะที่ ซ้ำเติมตัวเองอันนี้ภาษาฝรั่งก็เรียกว่าเนี่ยมาโสคิสมาโสคิสนี่คือคือพวกที่สุขที่ได้ทำ้ายตัวเองคนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะหรือถ้าพู้ยันกันพวกอัตตะกิรมาฐานุโยกนะอัตตะกิรมาฐานิโยนี่ไม่ใช่พวกหรือสีชีไพรในสายพุทธกาลหรือว่าที่อินเดียเท่านั้นนะ คือพวกที่มีที่ชอบทรมานตนน่ะอพวกเสียชีพไพรนี่ทรมานกายนะแต่ว่าคนจนํานวนไม่น้อยเนี่ยชอบทรมานใจของตัวชอบสร้างทุกข์ให้กับใจซ้ําเติมใจด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความเศร้าด้วยความรู้สึกผิดคิดแล้วคิดเล่าคิดวกคิดเวียนนะ รู้ว่าทุกข์แต่ไม่ยอมปล่อยนะเวลาเศร้าก็อยากจะฟังเพลงที่มันเศร้าๆให้มันเศร้าหนักกว่าเดิมนะอันนี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะเราก็จะวางมันลงได้นะเราจะวางทุกขนะ์เราจะวางสิ่งที่ทำให้เป็นทุกขนะ์โกรธนี่พอรู้ตัวปุ๊บนี่มันวางเลยนะเศร้าเนี่ยพอรู้ตัวปุ๊บนี่มันวางนะ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะไม่ต้องไปกดข่มมันได้ซ้าไม่ต้องไปหาทางบี้หาทางนะผักสายมันไปนะคนมีคนเคยมีคนทางหลวงปู่ดูลนัตุโลนะลูกศิษย์้วยนแรกหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ทำไม่จะตัดความกดให้ขาดได้ หลวงปู่ถ้บอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกนะมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองรู้ทันด้วยอะไรรูทันด้วยสตินะใจตื่นนะพอมันตื่นเนี่มันก็หลุดจากความความโกรธหลุดจากความความเศร้าได้ไม่ว่าโกรธไม่ว่าเศร้าไม่ว่าเสียใจมันก็หลงชนิดหนึ่งนะ ที่จริงโลภะโทสะนี่ก็คือโมหะนั่นแหละหรือว่ามันเป็นผลของโมหนะนพอโมหะหรือหลงแล้วมันก็เลยเกิดโลภะโทสะขึ้นมาแล้วถ้าใจตื่นรู้เนี่ยมันก็จะละทุกข์ได้ไวและใจก็จะเปิดรับความสุขได้ง่ายาเพียงแค่ใจเปิดกว้างก็เห็นสุขหรือรับความสุขได้ไม่ยาก มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่เขยันทำงานมากนะทางานเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวัเรื่องการใช้ความคิดก็คิดคิ ด, คดตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งพ่อตัวเองเนี่ยเป็นไส้เลื่อนนะก็ไปผ่าไส้เลื่อนอยู่ที่โรงพยาบาลสองวันกลับมาพักพื้นที่บ้านนานเป็นอาทิตย์ เป็นครั้งแรกที่เขาทำงานแล้วไม่ค่อยได้นะจะขยี้ขยับอะไรก็ลำบากก็เลยถือโอกาสนะพักซะเลยนะพักงานวันวันนี้ก็นั่งเป็นส่วนใหญ่จะเดินก็ไม่ได้ขยับขยียนอะไรก็ลำบากมีช่วงหนึ่งตอนบ่ายๆก็ไปนั่ง เอกขนเอกอยู่นะที่ระเบียงหลังบ้านซึ่งก็อยู่แถวชานกรุงหลังบ้านก็มีต้นไม้นะใหญ่ๆอยู่หลายต้นสักพักก็ดินเสียงนกนะที่แรกก็นกเขานะตอนหลังก็มีนกชนิดอื่นๆร้องนกเขาก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวก็มีหลายตัวก็ร้องก็สารเสียงกัน เสียงนี่ไพเรามากไพเราะจนเขาสึกเดือดด่างซาบซึ้งนะ้นําตาคลอมีความสุขมากสอกพักเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาวาเอ๊ะเขาอยู่บ้านนี้มาเขาอยู่บ้านนี้ตั้งแต่ลูกสาวนี่ยังเรียนอนุบาลอยู่เลยตอนนี้ลูกสาวเข้ามหาวิทยาลแล้วใกล้จะจบแล้วมันก็เกือบยี่สิบปีแล้วนะ อยู่บ้านนี้มาเนี่ยทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องนี่ทำไมเพิ่งได้เสียงไพร่ะอย่างนั้นถามว่านกเนี่ยนะมันเพิ่งร้องวันนั้นหรือเปล่านะจริงนกมันร้องทุกวันเนี่ยแต่เขาไม่เคยได้ยินเลยอยู่บ้านมาทีส ป, ปีไม่เคยได้ยินเสียงนกร้องเลยเพราะอะไรนะเพราะใจวุ่น คิดถึงงานหลวงุ่นอยู่กับอดีตมองไปอนาคตใจเขาไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ใจเขาไม่ค่อยเปิดกว้างรับนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันแต่วันนั้นเป็นครั้งแรกก็ว่าไในที่ใจเขาเรียกว่าวางงานการใจมันก็เลยเปิดพอเปิดก็ได้ยินเสียงนกแล้วพบกับความสุขที่หลั่งไหลเข้ามาในใจเขาก็เลยได้คิดเลยยินความสุขนี่มันอยู่ มันอยู่รอบตัวเลยนะแต่แต่ก่อนไม่รู้้วก็ไปหาความสุขที่นนที่นี่นะแต่จริงรอบตัวเัาก็มีความสุขล้วคนเร า, าตั้งใจเปิดจริงๆนี่พบสุขได้ทุกขนาดนะเหมือนกันที่เราสามารถจะสัมผัสกับความความสงบได้ทุกเวลานะคนที่หาความสุขนะ แต่ว่าไปไม่ต่างจากปลาที่สแสวงหาน้ำนะที่จริงปลานี่มันไม่ต้องสแสวงหาน้ำเลยนะเพราะว่ามันอยู่กับน้ำตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มันมองไม่เห็นมันก็ไปหาน้ำน้ำนี่อยู่กับปลาตลอดเวลาเมื่อความสูงที่อยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ไม่เห็นนะก็ถึงไปสแสวงหามันอยู่ร่มไป แม้ในยามทุกข์นะก็สุขก็ยังพบได้ไม่ยากหรือว่ายังสาสุขพบได้พระอาาตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบพบที่ไหนพบที่ใจนะใจที่ตื่นรู้ใจที่ใจที่อยู่กับปัจจุบันใจที่ฉลาดในการมองเพราะฉะนั้นะเนี่ยการที่เราจะมีใจที่ใหม่นะมีใจที่สด รื่นเรื่นเดิมเบิกบา น, นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนอกจากการทําความดีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นการสร้างบุญสร้างบุญศรแล้วเนี่ยสามอย่างนี้จําเป็นมากนะก็คือว่าเราสามารถที่จะเห็นสุขทุกขณะละทุกข์ได้ไวแล้วก็จิตใจตื่นรู้อยู่เสมออันนี้จะเรียกว่าเป็นภาวนาอย่างหนึ่งก็ได้นะ าคือการทำให้จิตใจเจริญงอกงามถ้าเราฝึกฝนนะโดยพ่อการทำให้มีสติรู้ตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะมันก็เราก็จะเห็นสุขได้มากขึ้นมากขึ้นได้เห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่ง แม้ในายามเจ็บยามป่วยก็ยังก็ยังมีความสุขได้นะกายป่วยก็จริงแต่ว่าใจไม่ได้ป่วยด้วยนะใจก็ยังสงบเย็นนตะอันนี้เพราะทำเพราะเพราะธรรมะนะอย่างที่พูดวไ ว, ว้เมื่อวานนะทำที่ประพฤติแล้วย่อมนางสุขมาให้ทำที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึง การให้ทานกับรักษาศีลเท่านั้นแต่รวมถึงการทําความเจริญเ ง, งาะงามให้เกิดขึ้นในใจการชําระติของตนให้ขาวรอบหรือว่าการทําความเพียรทางจิตให้ยิ่งอย่างที่เราสวนในโอวาทปฏติมโมกเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญซึ่งถ้าเราทําทําถูกเนี่ยเราก็จะพบสุขได้ทุกขณะเราก็จะละทุกได้ไว อาจารย์ก็ตื่นรู้อยู่เสมอทุก ว, วันนี้มันก็ยังช่วยทำให้เราเนะี่ยมีความพร้อมในการที่จ ะ, ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะมันมันจะมามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะในปีนี้อย่างแน่นอนไม่ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็ว ปีนี้เนี่ยมันก็ย่อมไม่เหมือนกับปีที่แล้วมันย่อมมีอะไรใหม่ๆมันย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงนี่มันก็มีอยสองอย่างเท่านั้นแหละก็คือความเปลี่ยนแปลงที่ดีคือถูกใจเราทำให้เรามีความสุขกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีที่ไม่ถูกใจเราที่สร้างทุกข์กับเรา เราก็ต้องวางใจนะให้ถูกกับความเปลี่ยนแปลงให้ความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่นำสุขมาให้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการวางใจเหมือนกันนะไม่ใช่ปล่อยไปตามปล่อยไปตามกระแสเพราะถ้าเราพะถ้ามีความสุขแล้วเราสุขจนจนลืมตัวเพลิดเพลินในสุขนะมันก็เป็นโทษเหมือนกันนะ พรเจ้าตรว่าเนี่ยผลแห่งความดีเนี่ยย่อมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาผลแห่งความดีนะก็เช่นลาบสักการะนะความสรรเสว้ะถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเพลินนะไม่พิจารณามันย่อมกลายเป็นพิษนะ คนหนความดีย่อมเป็นพิจเก่ผู้ไม่พิจารณาคือว่าประมาทหลงไหลมัวเมานพอประมาทแล้วเนี่ยก็อันตรายแล้วเนี่ยเแล่วประมาทเพราะสุขหรือพราะความสําเร็จก็ตามหรือเพราะมีสุขภาพดีก็ตามเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าพอมันแปรเปลี่ยนไป ก็เหมือนกับเทวเลาตกสวรรค์นะหรือว่าเหมือนกับเราเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าด้วยเรื่อำนาจของบอลลูนนะขึ้นบอลลูนลอยขึ้นไปอยู่ดีบอบอลลูนมันแตกก็ตกลงมาคนที่เพลินในสุกก็จะเป็นอย่างนั้นนัแหละสุกมันก็ทำให้ใจลอยแต่พอสุกมันหายไป หรือพอมันดับไปหรือเป็นหรือเปลี่ยนไปซึ่งเป็นธรรมดาธรรมชาติของทุกสิ่งนะเราก็จะตกลงมาแล้วก็เจ็บก็แทกพื้นเจ็บเวลาเวลาเล่นเฟซนะเวลามีคนชมกดไลค์แล้วก็ดีใจแต่พอมีคนคอมเมนต์นะบาทีคอมเมนต์ไม่ได้แรงอะไรเล ย, เลยจิตตกเลยนะ ตกเพราะอะไรตกเพราะเราเพลินนะเพลินในคาําสารเสวนนะเมื่อเพลินในคาําสารเสวนนะพอเจอคําตําหนิต่อว่าดาทอนะมันก็ตกเลยนั่นถ้าไม่อยากทุกข์เพราะคําต่อว่าดาทอก็อย่าไปเพลินนะในคาําสารเสวนให้พิจารณ า, าเออมันเป็นธรรมดานะคนชมมันมีคนชมก็ต้องมีคนตําหนิน ทุกไลฟ์นที่คนกดนะมันก็จะมีคนที่อยากจะกดอนะันไลค์ like หรือดนะิสไลค์นคือไม่ชอบด้วยเหมือนกันนะทุกคำชมนะที่เราได้รับจากคนรอบตัวมันก็จะมีคำสาราคำตำหนนะิเกิดขึ้นคู่กันไปด้วยเพียงแต่ว่ามันจะเข้าหูเราหรือไปหรือไม่เท่านั้นเอง แต่ถ้าเขาข้าหูมาแล้วก็ทุกมั น, นั้นนะเพราะฉนั้นเนี่ยก็อย่าไปก็อย่าไปเพลินกับมันนะสุกกับมันได้นะแต่ว่าอย่าเพลินนะตนประมาทมีคนเขาพูดดีว่าเนี่ยคำชมคำสรเรเสริญนี่ก็เหมือนกับหมักฝรั่งนะเคี้ยวได้แต่อย่า ก, กลืนเพราะถ้ากลืนแล้วมันไม่เป็น ผลดีมันเป็นผลเสียต่อสุขภาพอันนี้คงไม่ใช่เฉพาะคำสารเสวนอย่างเดียวนะลาภสักการะหรือว่าความสุขอย่างอื่นด้วยก็เหมือนกันเมื่อได้รับแล้วก็ก็สุขนะรับรู้ในสุขนั้นนะแต่ว่าอย่าเพลินนะอย่าหลงมัวเมาจนประมาท ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีก็เหมือนกันนะความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีนะเราก็ก็ต้องวางใจให้ถูกนะเพราะว่ามันย่อมเกิดขึ้นนะไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเตรียมใจเอาไว้นะทุกชาเราก็สวอกันนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างมาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะความทุกข์มันก็ต้อง มาแน่นะอยู่ที่ก็จะมาเมื่อไหรเราก็ต้องเตรียมใจเอาไว้นะเตรียมใจเอาไวนะ้และการที่เราไม่เพลิดเพลินลงใหลในความสุขก็เป็นวิธีการเตรียมใจอย่างหนึ่งนะนี่พรอมันมาแล้วนี่ก็ถ้าเราเตรียมใจไว้นะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสูญเสียนะความเสื่อมลาศคํา ติชินดินทาความเจ็ดความป่วยมันเกิดขึ้นเราก็จะไม่ตีโพยตีภายมากแต่ไม่บ่นโยวยวายว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นคนที่บ่นโยวยวายเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี้ก็เกิดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครต่อใครมาแล้วเราตัวเองก็กย่อมได้ยินได้รับรู้มาตลอดว่า มันเกิดขึ้นกับคนนั้นมันเกิดขึ้นกับคนนี้นะจากขา่าวจากโทรทัศน์จากหนังสือพิมพ์จากคํำบอกเล่าในเช่นมะเร็งเนี่ยนะมันก็คนรอบตัวเราก็เป็นไม่มีไม่มีใครนะที่ไม่รู้จักคนที่เป็นมะเร็งบางทีก็อยู่ในบ้านของตัวเองนั่นแหละคือพ่อแม่ เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเองบ้างเนะก็ไม่ควรที่จะบ่นว่าทําไมถึงต้องเป็นเราทีต่ต้องถา ม, มาว่าทําไมจะเป็นเราไม่ได้้คนที่บ่นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยทั้งที่ได้ยินได้ฟังได้รับรู้ัมาว่ามีคนเมื่อคนนี้เป็นก็ต้องเตรียมจะเผื่อใจว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้อันนี้ไม่ได้เป็นการแช่งนะแต่เป็นการเตือนใจให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็จะไม่บกรไม่โวยวายแล้วคนนี้ถ้าเราเตรียมพร้อมดีนะเราก็จะไม่ใช่เพียงแค่ไม่ทุกข์ใจนะมนเมื่อมันเกิดขึ้นแต่เราก็สามารถจะเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้านะตัดเหมือนกันนะว่าเนี่ยคนที่รู้จักใช้ประโยชน์จากอิทธาลมแนละอ น, นิถาลมเนี่ยพระพูทมีพระภาคเจ้าสรรเสริญพูดนว่าเป็นบัณฑิตนะอิทธาลมก็คือเการ ที่ดีนะเช่นได้ลาบได้ยศนะได้รับความสารเสริญหรือว่าสุขอ น, นิถาลงก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนะเจอความติชินินทาและเจอทุกข์นะหรือผู้ยากนี่คือว่าพัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักอย่างที่เราสวดทุกวันตอนเช้าอันนี้เราอ น, นิถารม เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทําคือว่าเราสาใจไม่ให้ทุกข์ถ้าจะเสียก็เสียแต่ของเสียแต่งเงินนะหรือถ้าจะเจ็บก็เจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจไม่เจ็บนะอันนี้เลยว่าเสมอตัวนะนะไม่ขาดทุนนะขาดทุนคือว่าเสียทรัพย์แล้วไม่พอนะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานการเสีย เพื่อนอะไรต่ออะไรต่อพื่อต่อือตามมาหรือป่วยการแล้วก็ป่วยใจตัวนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองคนฉลาดจะไม่ซ้ําเติมตัวเองเราะฉะนั้นก็เสมอตัวหรือดีกว่านั้นคือกําไรนะใช้ประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะให้เป็นเครื่องสอนใจนะสอนใจให้ไม่ประมาท หรือว่าสอนใจให้เห็นธรรมะหรือยังตาๆก็ฝึกใจให้เข้มแข็งฝึกใจให้อดทนนะพวกที่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราจะว่าไปมันก็เป็นของดีนะถ้าว่าเรารู้จักใช้มันเหมือนเหมือนกับทุเรียนนะนะทุเรียนเนี่ยหนามมันแหลมแต่ว่าข้างในเนี่ยนะ มันมีเนื้อที่หอมหวานความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะแม้มันจะบีบขั้นใจแม้ไม่ทำให้เจ็บปวดนะแต่ว่ามันก็มีของดีซ่อนอยู่ข้างในนะก็คือธรรมะนะทุกข์นี่มันสอนธรรมให้กับเราได้สอนธรรมให้เห็นให้เข้าใจแจ่มแจ้งในไตลับ เราต้องฉลาดนะในการที่จะจะเห็นธรรมจากทุกเรื่องต่ํตาๆแล้วก็ถือไม่ไม่ทันไม่สามารถจะเห็นอนิจจังทุกขังนัสตาได้แต่ก็เห็นถึงความไม่เที่ยงเอาข้อแรกก่อนเงินหายของหายเออมันก็สอนเราเรื่องความไม่เที่ยงเจ็บป่วยมันก็สอนเราเรื่องความไม่เที่ยง ถูกด่าว่าติชิทินดาก็เห็นใงความไม่เที่ยง เ, ยเมื่อวานยังชมเลยวันนี้ว่าแล้วนะมันก็ช่วยทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราสามารถจะหาได้นะจากจากทุกนะซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะฉลาดนะในการที่จะใช้มันไหม คนที่เจอทุเรียนแล้วก็เห็นว่าหนามมันแหลมก็ทิ้งมันไปอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่คนฉลาดแต่ก็ยังเดียวกว่าคนที่กอดทุเรียนเอาไว้น ะ, ะมีหลายคนที่กอดทุเรียนเอาไว้ให้มันทิ่มแทงใจให้มันทิ่มแทงตัวอันนี้ไม่ฉลาดแต่ก็มีคนแบบนี้ทำกอดทุกขเอาไว้ให้มันทิ่มแทงใจคนฉลาดกว่านั้นดีกว่านั้นหน่อยคือทิ้งมันไปนะไม่เอามา ใความประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีตก็ทิ้งมันไปไม่เอามาให้มันทิ้มแทงใจแต่จะดีกว่านั้นถ้าเราไปเก็บเกี่ยวบทเรียนจากมันการเก็บเกี่ยวบทเรียนจากมันเนี่ยก็เหมือนการที่เราปอกเปลือกทุเรียนเอาเปลือกแหลมออกแล้วเราก็จะได้เอาเนื้อมากินพอนใจปวดในอดีตเนี่ยมัน กเช่นเดียวกัความทุกข์ในปัจจุบันหรือความทุกข์ที่เกิดขึกับเราในอนาคตนะมันมันมีของดีที่จะให้เราได้เรียนรู้หรือชื่อที่ทําให้เราเกิดปัญญาได้เขาเรียก e บทเรียนเขาเรียกว่าธรรมะนั่นก็ให้เรานะฉลาดนะในการที่จะใช้ทุกที่เกิดขึ้นนะหรือที่จะเกิดมาในอนาคตให้เป็นประโยชน์ รักษาใจแม่ทุกแล้วยังเอามาใช้เพื่อเพิ่มพูนปัญญานะเหมือนกับขยะปฏิกูลนะที่นอกจากเราถ้าเราฉลาดเราไม่เอาเอามาใส่เอามาเอามาสุมไว้ในบ้านไม่เก็บเอาขยะมาสูมมากองไว้ในบ้านเพราะมันส่งกลิ่นเหม็นแต่ว่าเรารู้จักเอาไปวางไว้ในะนสวนเพื่อมาเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยแล้วมันก็จะบำรุงดินมันก็จะทำให้ต้นไม้โตใบสวยงามออกดอกที่สวยแล้วก็ให้ผลที่หวานอร่อยความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะมันสามารถจะเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับเราได้ก็ฝากนะอ่ พ่อคิดเห่านี้เอาไว้ให้พวกเราเพื่อนาไปใช้ในการดำเนินชีดนะในปีใหม่นะนะเรื่องแต่วันนี้เพื่อให้ใจเรามีความสุขนะเพื่อให้ชีวิตเราพบกับความสงบเย็นแล้วก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้ดีดีนคะรับ